วั น, นี้ฝนตกเสียงดังไม่ทราบว่าพอจะได้ยินเสียงเข้าไปได้ยินนะถ้าไม่ได้ยินก็จะต้องนั่งสมาธิกันไปก่อนแต่ถ้าได้ยินก็จะพยายามพูดไปทางบ้านไม่ทราบว่าได้ยินไหมเสียงได้ยินนะ น, นี้รได้อยู่ใกล้เช็ดกันหน่อยเพราะฝนตกต้องเข้ามาหลบพ้นกันในศาลาธรรมดาถ้าฝนไม่ตกคนมีเกือบเป็นร้อยแต่ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานั่งบนศาลากันเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะกลัวครูหีืนักเรียนไม่ชอบอยู่ใกล้ครู ก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวกลัวครูจะถามแล้วเดี๋ยวจะตอบไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆสังเกตดูนักเรียนที่เรียนเก่งๆนี่นอกจากนั่งอยู่ที่หน้าห้องสลวนักเรียนที่เรียนไม่เก่งนี่นอกจะหลบไปนั่งอยู่ที่หลังห้องกันเราไม่อยากจะเก่งกันเหรอ ถ้าอยากจะเก่งต้องมานั่งที่ใกล้ๆครูเพราะอยู่ใกล้ครูจะได้ไม่ทะเลทลายถ้าอยู่ไกลอยู่หลังห้องเดี๋ยวก็คุยกันบ้างเดี๋ยวก็เล่นกันบ้างเดี๋ยวก็ทำอะไรกันบ้างแต่ถ้านั่งอยู่ข้างหน้าห้องนี้ต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งฟังอย่างเดียว จึงได้เรียนรู้มากกว่าพวกที่นั่งอยู่หลังห้องอมไม่ต้องกลัวครูหรอกครูเขาไม่ฆ่าเราหรอกครูเขารักเราจะตายไป อ, อยากให้เราฉลาดอยากให้เรามีความรู้เพราะความรู้เป็นอาวุธของพวกเราความรู้ที่เรารู้นี่เราจะเอาไปใช้ ค้าค่าศึกของเราค่าศึกของเราที่มาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเรามีอาวุธคือธรรมอาวุธธรรมะเป็นอาวุธความรู้ทางธรรมเป็นอาวุธที่เราจะเอามาใช้ฆ่าค่าศึกศัตรูของพวกเรา ข้าศึกศัตรูนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่อยู่ที่ในใจของเราถ้าข้าข้าสึกที่อยู่ในใจของเรานี้ไม่บาปเป็นบุญแต่อย่าไปฆ่าข้าสึกที่อยู่ข้างนอกใจอย่าไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้บาปเขาไม่ได้เป็นข้าสึกของเรา ผ้ที่เป็นข้าศึกของเราคือความโลภความโกรธความหลง<ม>ความอยากต่างๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรา<ม>คนนั้นคนนี้เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกเราทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็เลยโกรธ<ม>ความโกรธก็เป็นความทุกข์ ที่พอโกรธก็อยากจะดับความโกรธก็คิดว่าฆ่าเขาแล้วจะทำให้เราหายโกรธแต่ไม่ก็หายเดี๋ยวเดียวแต่เดี๋ยวเราต้องไปติดคุกติดตารางเราต้องไปใช้เวรใช้กรรมดีไม่ดีต้องถูกเขาประหารชีวิตแต่ถ้าเราฆ่าฆ่าศึกที่แท้จริงของเราคือฆ่าความโกรธ ถ้าเราดับความโกรธได้เราก็ไม่ต้องทำอะไร<ม>คนที่เราคิดว่าทำให้เราโกรธเราก็ไม่ต้องไปที่ทำอะไรเขา<ม>เพราะเราหายโกรธแล้ว<ม>สังเกตดูเวลาเราโกรธใครนี่เกลียดเขาเหลือเกินเดี๋ยวพอหายโกรธแล้วก็กลับไปรักเขาใหม่ได้<ม>นี่แหละคือความโกรธค่าสึกของเราต้องค่าไอตัวนี้ อย่าไปฆ่าคนที่เราโกรธฆ่าเขาแล้วเดี๋ยวมาร้องห่มร้องไห้เสียใจทีหลังโอ้ไม่น่าทำเลยรักกันเหลือเกินพอขัดใจกันหน่อยก็โกรธอพอฆ่าเขาแล้วพอหายโกรธก็เสียใจเสียเราไปฆ่าคนที่เรารักได้อย่างไรว่าเราโกรธเขา ขอให้รู้นะว่าค่าศึกของเราที่เราต้องค่าคือความโกรธความเกลียดค่าความโลภตัวนี้ความอยากอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราพอก็ไม่ทำให้เราเราก็โกรธถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราจะไม่โกรธเราจะเฉย ล้วทำไมเราจึงมีความอยากกันลักหนาอยากกันตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มันก็ยังอยากอยู่นั่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอได้แล้วหายอยากก็เปล่าได้แล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่อได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วามันไม่มีวันจบหรอกเรื่องของความอยาก ความอยากนี่มันกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าท้องฟ้าหรือมมหาสมุทร mm hmm. มหาสมุทรยังมีขอบบีเขตนะมีฝั่งแต่ความอยากนี่ไม่มีขอบมันขยายตัวออกไปได้เรื่อยพอได้คืบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วา mm hmm. ได้น้อยก็อยากจะได้พัน ได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนได้ล้านเดี๋ยวนี้บางคนได้หมื่นล้านก็ยังไม่พอไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินก็กินไม่หมดแต่อยากจะได้แสนล้านพอได้หมื่นล้านแล้วเทนี้ก็อยากจะได้แสนล้านได้ไปแล้วก็ไม่ได้เอามาทำอะไรตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นไปหมดได้มาทำไม ง้อหรือฉลาดนี่แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจหรือพอพอเงินหายไปก็เสียใจเกิดเงินลดซะหน่อยคอยมีหมื่นล้านพอเหลือเก้าพันล้านก็เสียใจแล้วทั้งที่เก้าพันล้านนี่ก็ใช้ไม่หมดกินไม่หมดมนี่แหละคือตัวที่ทําให้เรา พูดวายใจกันทำให้เราทุกข์กันเราต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าความอยากถ้าฆ่าความอยากได้ก็จะฆ่าความโกรธได้เพราะความโกรธมันเกิดจากความอยากนี่เองพออยากแล้วไม่ได้ก็โกรธ ถ, ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่มีวันโกรธเราจะทำไงให้เราไม่อยากกัน ก็ต้องหยุดความคิดกันเพราะความคิดเป็นตัวพาให้เกิดความอยากอพอคิดถึงอะไรก็อยากได้สิ่งนั้นทันทีคิดถึงเงินก็อยากได้เงินคิดถึงแฟนก็อยากได้แฟนคิดถึงลูกก็อยากได้ลูกนี่แหละคือตัวที่ทำให้เราอยากกันคือตัวความคิดกันใจเราไม่เคยหยุดคิดเลย พอลืมตาขึ้นมาก็คิดไปคิดอยากได้นั่นอยากมีนี่ก็เลยต้องออกไปหากันตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกจากบ้านกันไปแล้วไปหานั่นหานี่หาได้บ้างหาไม่ได้บ้างหาได้ก็ดีใจวันนั้นหาไม่ได้ก็เสียใจวันนั้นเดี๋ยวพวกนี้ก็ออกไปหาใหม่หาไปจนวันตาย ก็ยังไม่หยุดหาตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆใหม่นี่แหละคือกรรมของพวกเราเป็นอย่างนี้เกิดมามีกรรมพามามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย<ม>จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปนั้น<ม>ถ้าทำบุญก็ได้รับความสุขใจ<ม>ถ้าทำบาปก็ได้รับความทุกข์ใจ<ม><ม>ถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ต้องรับบุญไม่ต้องรับบาปเลย ไม่ต้องเกิดเลยถ้าไม่ทำอะไรถ้าไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้วุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนนะตื่นขึ้นมาร่างกายมันก็บอกขอกินลนะ กิดขอกินน้ำขอกินอาหารข อ, อาบน้ำขอแต่งเนื้อแต่งตัวต้องวุ่นวายไปกับมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ขาดของเหล่านี้ไม่ได้ขาดก็วุ่นวายถ้าขาดน้ำก็วุ่นวายขาดอาหารก็วุ่นวายขาดเสื้อผ้าก็วุ่นวายเดือดร้อน มีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดเวลามีร่างกายแล้วถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับมันไม่ต้องหาน้ำให้มันมาเดิมไม่ต้องหาอาหารให้มันกินไม่ต้องหาเสื้อผ้าให้มันสวมใส่ไม่มีร่างกายนี้สบายแต่ความอยากมันมันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดว่ามีร่างกายแล้วจะสุข มีร่างกายแล้วจะได้ไปเที่ยวออมีร่างกายจะได้มีแฟนออมีร่างกายจะไดออ้ทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำออนี่คือความคิดที่โง่เขลาเบาปัญญาเพราะคิดเพียงด้านเดียวไม่คิดถึงเวลาที่ร่างกายแก่เป็นอย่างไร เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาที่ร่างกายตายเป็นอย่างไรมันดีไหมมันสบายไหมตอนที่แก่ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนที่ตายตอนที่ไม่ตายก็ต้องวุ่นวายกับการเลี้ยงมันต้องคอยหาน้ำหาอาหารนันมันกินหาที่อยู่อาศัยฝนตกก็ต้องหาที่หลบนั่นเนี่ย นี่แหละคือความทุกข์ของร่างกายการมีร่างกายแต่เราไปมองแต่ความสุขที่ได้จากการมีร่างกายมีได้มีร่างกายแล้วจะได้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่มไปทำอะไรกันมีความสุขกัน แต่ไม่รู้ว่ามันทําได้ไม่นานอร่ <Okay. S 2> างกายเดี๋ยวมันก็ต้องหมดแรง mm hmm. มันแก่แล้วที่นี่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้ว mm hmm. อยู่บ้าน mm hmm. อออกไปไหนก็ไปไม่ไหวอื mm hmm. อยู่บ้านก็เหงาเศร้าอื mm hmm. ว, าว้าวเวยนั่นแหละคือเรื่องของความทุกข์ที่มากับความสุขอ mm ื hmm. ที่เราได้จากร่างกาย mm hmm. ถ้าเรามองถึงความทุกข์ที่เราได้จากร่างกายเราอาจจะไม่อยากจะมีร่างกายก็ได้ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่าไปเกิดอย่าไปมีร่างกายพอไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็สบายไม่ต้องมาแบกมาดูแลร่างกายไม่ต้องมาหวงมาห่วงร่างกาย อยู่เฉยๆสบาย <us> แต่ใจไม่ยอมอยู่เฉยๆ <us> ใจไม่เคยหยุดอยาก <us> <us> เราต้องมาทำให้มันหยุดความอยากให้ได้ <us> ถ้าหยุดความอยากได้ <us> เราก็ไม่ต้องมีร่างกายได้เฉนั <us> <us> ้นเราต้องมาหาวิธีหยุดความคิดให้ได้ <us> หยุดความคิดหยุดความอยาก <us> <us> พอเราหยุดคิดได้เราก็จะหยุดอยากได้พอเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นเราก็จะไม่อยากได้สิ่งนั้นพอเราไม่ได้คิดถึงคนนั้นเราก็จะไม่ได้อยากจะไปหาคนนั้นปัญหาของเราคือเราหยุดคิดไม่เป็นเราจึงต้องมาหาคนที่หยุดคิดเป็นมาสอนเรา เพราะการหยุดคิดได้นี่เป็นสุขมากเวลาใจหยุดคิดแล้วนี่สายเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจอิบอกอิ่ ม, ม, มใจนี่แหละคือความสุขที่เราควรจะเข้าหากันเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีความทุกข์ตามมาความสุขที่พวกเราหากันตอนนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา เพราะว่าเดี๋ยวร่างกายก็หาไม่ได้นะต่อไปร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงต่อไปร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อไปร่างกายตายเจะหาความสุขอย่างที่เราหากันอยู่นี่ไม่ได้แล้วความสุขที่เราหากันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็หมดได้มาปั๊บเดี๋ยวเดียววันสองวันก็หายละได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจ เดี๋ยวพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วอยากได้ของใหม่ละของเก่านี่ไม่มีความสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆตอนได้ตอนทีเห็นมันอยู่ในร้านนี่หมยอยากได้เหลือเกินสวยเหลือเกินเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าพอได้มาแล้ววันดีใจพอเอามาแขวนไว้ในบ้านแล้วลืมมันเสียแล้ว มองวันทีไรก็ไม่ไม่สุขเหมือนตอนที่เหมือนอยู่ในร้านนะอยากจะได้ของใหม่ที่อยู่ในร้านใหม่นะนี่คือความสุขปลอมความสุขแบบควันไฟความสุขที่เราต้องคอยวิ่งไล่ตะครุบอยู่เรื่อยต้องคอยหาอยู่เรื่อยแล้วพอเราไม่สามารถหาได้ก็เสียหกเสียใจเวลาอยากได้กระเป๋ารองเท้า ไม่มีเงินในกระเป๋าก็ซื้อไม่ได้ก็มีแต่น้ำลายไหลไปนี่แหละสู้ความสุขที่ได้จากการหยุดความคิดไม่ได้หยุดความคิดได้ใจสงบมีความสุขไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเ พอเราทำได้แล้วต่อไปเราก็จะทำได้เรื่อยๆอยากจะได้เมื่ออยากจะได้ความสุขเมื่อไหร่ก็ทำใจให้สงบเมื่อ น, นั้นหยุดความคิดเมื่อ น, นั้นใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเมื่อ น, นั้นนี่แหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ใช่เป็นควันไฟความสุขที่เป็นของจีรังถาวร ที่จะอยู่กับใจเราไปตลอดให้เรามาหาความสุขอันนี้กันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาไม่ต้องไปขอจากใครเพียงแต่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองวิธีจะทำให้มันเกิดก็คือให้มันหยุดคิดเท่านั้นเองมาถือศีลแปดกันเนี่ยอยู่วัด สือศีลแป่จะได้หยุดการกระทาอย่างอื่นหยุดการใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายแล้วร่างกายมานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดถ้าเราไม่มีพุทโธใจเราก็จะคิดอยู่เรื่อยๆพอเรามีพุทโธมันก็ไม่มันก็ไม่คิด พอมันไม่คิดแล้วมันก็สบายลองทําดูเสร็จทำจริงๆยังจังดูให้มันพุทโธอย่างต่อเนื่องสักสิบนาทีเนี่ยก็พอไม่ต้องให้มันไปคิดอะไรเลยได้สิบนาทีเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแค่นี้เดี๋ยวใจก็เย็นใจก็จะสบายมีความสุขพอใจหยุดคิดแล้วก็หยุดพุทโธได้ พอใจนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องพุทธโธใจก็จะนิ่งจะสงบมีความสุขเ <Yeah. S 1> นี่ยของง่ายๆของดีๆของวิเศษอยู่ตรงที่พุทธโธนี่งกุญแจสําคัญก็คือพุทธโธอยากจะมีความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็ต้องมาพุโทโธกันนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปลองทําดูซิของดีๆท้าพิสูจน์นะไม่เกินสิบนาทีได้ชิมรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงถ้าพุโทโธอย่างเดียวสิบนาทีได้รับรองได้ว่าเียจะมีความสงบมากมีความสุขมาก แต่ส่วนใหญ่เฮนจะทําพุทธโธได้แค่สองคำสามคํานั่นเองพุทธโธสองคำสามคําแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้มันเลยไม่สงบกันลองทําดูพุทธโธไปเรื่อยๆสักห้านาทีสิบนาทีใจจะดิ่งเข้าสู่ความสงบไม่ยากหรอกอยู่ตรงที่เราไม่ยอมทํากันเอง ไม่เชื่อว่าพุทโธนี่เป็นของวิเศษเป็นของที่เหนือกว่าเงินทองหมื่นล้านแสนล้านเหนือกว่าตําแหน่งต่างๆเหนือกว่าการเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นมหากษัตริย์เป็นอะไรต่างๆสู้พุทโธไม่ได้เป็นพุทโธดีกว่ามีพุทโธอยู่ในใจมีความสงบ เข้าใจก็จะมีความสุขอนนี่คือของง่ายๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นของวิเศษขึ้นมาถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้คนที่เขาทำแล้วเขารู้คนที่เขาทำแล้วเขาได้รับความสงบเขารู้ว่าวิเศษอย่างไร ลองทําดูมันไม่ยากเย็นหรอกคําว่าพุทโธคําเดียวปีนภูเขายังยากกว่ายังมีคนปีนกันได้เลยกับคาว่าพุทโธคําเดียวมันยากเย็นตรงไหนเนี่ยลองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแค่นี้เองภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตาแล้วนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้ายังนึกไม่ออกก็ลองใช้เสียงเบาๆก็ได้พุทโธเบาๆไปก่อนอเดี๋ยวใจก็จะเย็ยนใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข อ, อ, อันนี้ต้องพยายามทำให้ได้เพราะเมื่อมีความสงบแบบนี้แล้วจะไม่ต้องไปมีอะไรอีกต่อไปอถ้ามีแล้วก็จะต้องเสียใจ เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปเวลาของที่ได้มามันเปลี่ยนไปมันหมดไปเราก็เสียใจกันอืพอจะใช้ไม่ได้อได้ซื้อรถมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีพอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปอมันเริ่มเสียตรงนั้นเริ่มเสียตรงนี้ออถ้าเดี๋ยว ก็ต้องเอาไปซ่อมเวลาซ่อมก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องนั่งรอให้เขาซ่อมให้เสร็จก่อนพอซ่อมเสร็จเอาไปใช้อสักพักเดี๋ยวก็เสียอีกยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสียมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ใช้ไม่ได้หรือถ้าไม่เสียจอดรถไปเฉยๆเดี๋ยวใครมาขโมยไปก็ได้ไม่ว่าจะมีอะไร จะต้องมีความวุ่นวายใจตามมาเสมอไม่ได้ไม่ได้ความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรไม่เหมือนกับความสุขภายในใจความสงบภายในใจอันนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรถ้าเรารู้จักทามันรู้จักรักษามัน ขั้นต้นสร้างมันขึ้นมาด้วยสติพอมันได้แล้วก็ให้ใช้ปัญญารักษามันต่อปัญญาจะสอนใจให้รู้ว่าความสงบที่เราได้จากสติมันจะหายไปได้อย่างไรมันจะหายเพราะเราไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราก็ต้องคอยกําจัดความอยาก ความอยากเป็นเหมือนขโมยทรัพสมบัติของเราอย่างเงินทองที่เราหายหายเพราะขโมยขโมยขึ้นบ้านมันก็ขนข้าวของไปถ้าเราไม่อยากให้ขโมยขนข้าวของไปเราก็ต้องคอยเฝ้าคอยเฝ้าบ้านคอยเฝ้าดูว่ามีขโมยขึ้นมาเมื่อไหร่พอมีก็ท่ามันเลย ขับไล่มันไปอย่าให้มันเข้ามาในบ้านเราความอยากเราต้องกำจัดมันอย่าให้มันเข้ามาถ้ามันเข้ามาแล้วมันจะทำลายความสงบความสุขของเราวิธีที่จะกำจัดมันก็คือเชิญมันออกไปไม่ต้อนรับมันด้วยการไม่ทำตามความอยากพอมันอยากได้อะไรก็ไม่เอา เมื่อกี้ไม่มีไม่มีความอยากก็อยู่ได้เมื่อกี้ก่อนที่จะเกิดความอยากมีความสุขจะตายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขนั้นหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขนั้นกลับมาก็ให้ความอยากหายไปอย่าไปทำตามความอยากอยู่เฉยๆเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังพอมันหมดกำลังแล้วความสงบก็กลับคืนมาใหม่ พอความอยากมันไม่ไม่อยากแล้วมันก็ใจก็จะสงบเหมือนเดิมตอนนั้นอาจจะทรมานหน่อยเวลาเกิดความอยากเราไม่ได้ทั้งไม่ได้ดังใจอยากใจมันจะสัน่นใจมันจะดิ้นตอนนั้นเราก็ต้องพยายามใช้สติควบคุมบังคับให้มันนิ่งให้สงบให้ได้พอใจสัน่นเราก็ใช้พุทโธเข้าไป พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยากได้กระเป๋าก็พุทโธพุทโธพุทโธอยากได้เสื้อผ้าก็พุทโธพุทโธพุทโธอยากได้แฟนก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอยากได้อะไรก็พุทโธพุทโธไปจนกว่าความอยากนั้นมันจะหมดกําลังพอหมดกําลังแล้วต่อไปมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกเ อันนี้เป็นการกำจัดอย่างถาวรกำจัดตอนที่มันเกิดความอยากขึ้นมาเรารู้ว่าถ้าเราไปทำตามความอยากมันจะไม่มีวันจบไม่มีวันหมดอยากแล้วเดี๋ยวก็อยากอีกอยากไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากเดี๋ยวมันไว้ให้มันหายอยากเองพอมันหายอยากแล้วทีนี้มันก็จะจบจะไม่มีความอยากแบบนั้นโผล่กลับขึ้นมาอีก นี่คือเรื่องของความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเรานี่แหละมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาก็ไม่เจอ<ม>เจอแต่ความทุกข<ม>์ถ้าหาความสุขนอกใจแล้วจะต้องเจอความทุกข์<ม><ม>เพราะความสุขนอกใจเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่เรียกว่าอนิจจังพออนิจจังเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขังขึ้นมาเวลามันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอนัตตาเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหมดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทําให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้มาหาความสุขที่ไม่ทุกข์ดีกว่าหาความสุขที่ จีรังดีกว่าหาความสุขที่เป็นของเราดีกว่าความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็คือความสงบนี่เองอความสงบตอนต้นก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ความสงบที่ได้จากสตินี้ยังไม่เป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสงบชั่วคราว ความสงบที่จะถาวรต้องเป็นความสงบที่ได้จากปัญญาปัญญาที่จะคอยสอนใจให้หยุดหาสิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากให้หยุดหาความสุขตามความอยากอพออยากได้สิ่งนั้นก็ต้องบอกว่า อ, อย่าหาหาแล้วเดี๋ยวทุกข์พอหาอได้แล้วจะไม่อิ่มไม่พอจะอยากได้เรื่อยๆอ เช่นอยากจะหาความสุขจากดื่มกาแฟพอได้ดื่มกาแฟก็มีความสุขพอกาแฟหมดนิดกาแฟหมดเดี๋ยวความอยากดื่มกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาต้องหากาแฟดื่มไปจนวันตายแล้วเวลาที่ไม่มีกาแฟให้ดื่มเวลานั้นก็ทุกข์เวลานั้นก็เครียดทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาเสพติด ที่มีลิดมากลิดน้อยไม่เท่ากันกาแฟบุรีสุราเนี่ยอันนี้มันก็มีลิดไม่เท่ากันอันไหนลิดมากกว่ากันอันไหนติดแล้วเลิกยากกว่ากันบุรีกาแฟหรือสุรา อ, อันไหนที่มันทำให้เราทุกข์มากอันนั้นก็เลิกยากเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุราแล้วใจสัน่นมือไม้สัน่น เวลาไม่ได้สู่บุหรมือไม้สัน่นเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยมันจะเลิกง่ายยากอยู่ที่ว่ามันมันสั่นมากสั่นน้อยอถ้ามันทุกมากก็เลิกยากถ้ามันทุกไม่มากก็เลิกง่ายกว่าแต่มันก็ทุกทั้งนั้นนะถ้าลองไปติดมาแล้วทีนี้มันก็จะทำให้เราทุกข์กันให้คิดถึงความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ อย่าไปคิดแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้คนที่สูบบุหรี่ก็คิดว่าเวลาสูบบุหรี่แล้วมาชื่นปอดได้เอาควันเข้าปอดแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายหายใจซื้อซื้ซเข้าไปออแต่เวลาคุณบุหรี่หมดเนี่หาซื้อบุหรี่ไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นเวลาที่ปอดแห้งอสุราก็เหมือนกัน เวลาดื่มโอ้ยซาบ้ า, บาบในปากในคอเดี๋ยวเวลามันไม่มีดื่มมันจะลำบากกาแฟก็เหมือนกันเวลาดื่มสตารบัคเนี่โอ้ย อ, อร่อยเดี๋ยวเกิดไม่มีให้ดื่มไม่มีเงินซื้อก็ทีนี้ก็ทุกข์แล้วให้มองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้มันมาพร้อมกันมันมาด้วยกันมันตามกันมา มันสุกนำหน้าแล้วตามตามท้ายด้วยความทุกข์นะไม่ช้าก็เร็วจะต้องทุกข์เพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องไม่สามารถหามาดื่มได้หามาสูบได้ออนะเงินหมดบ้างร้านกาแฟเขาปิดบ้างออหรือไม่สบายดื่มไม่ได้บ้างถดื่มมากๆเดี๋ยวหมอก็ต้องบอกว่าต้องหยุดนะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อ น, นี้คือเรื่องของอาการหาความสุขผ่านทางร่างกายจะต้องเจอความทุกข์เสมอให้มาหาความสุขผ่านทางสติทางพันพุทโธดีกว่าทางพานันผ่านทางปัญญาดีกว่าอันนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาเราจะสุขไปตลอดใจอิ่มไปตลอดอ ไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องกินกาแฟไม่ต้องดื่มสุราไม่ต้องดูหนังไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องไปหาคนนั่นคนนี้มาเป็นแฟนนี่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกกันหัดพุทธโทกันเถิดตอนต้นอาจจะไม่พุทธโทไม่ออกเพราะมันไม่เคยพุทธโทกัน มันก็เป็นเหมือนกับการหัดทําอะไรใหม่ๆเวลาพิมพ์ดิดใหม่ๆนี่ก็พิมพ์ไม่ได้ต้องมาหัดจิ้มกันทีละนิ้วกันข อ, ก ข, อก ข, อกขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอไข่จิ้มไปจิ้มไปต่อไปมันก็จะชำนานอพอชำนานแล้วทีนี้ต้องการพิมพ์อะไรพรวดเดียวก็พิมพ์ได้ พุโทโธใหม่ๆก็พุโทโธคํสองคาก็หยุดละพุโทโธคํสองคาก็หยุดละอยากจะไปคิดถึงเรื่องนั้นอยากจะไปคิดถึงเรื่องนี้ต้องพยายามบังคับมันให้มันพุโทโธบ่อยๆเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาอย่าให้มันคิดถ้ามันคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันหรือคิดคุยกับตัวเองคุยกับชอบคุยกับตัวเองด้วย วันนี้ทําอะไรดีวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีออเย่าคิดเสถียร์หยุดคุยกับตัวเองให้คุยกับพุทโธแทนวันนี้จะพุทโธไปทั้งวันเราพูดอย่างนี้ดูวันนี้จะพุทโธพุทโธวันนี้จะไม่ไปยุ่งกับใครวันนี้จะยุ่งกับพุทโธอย่างเดียวอขอให้เราพุทโธไปทั้งวันขอให้เราอย่าลืมพุทโธขอให้เราพุทโธพุทโธไปใจคิดอะไร ไม่ขอจะไม่ขอคิดจะขอหยุดหนึ่งวันวันนี้เป็นวันพระสมมุติวันนี้เป็นวันพระวันพุธทโธขอให้พุธทโธพุธโธพุธโธไปถ้าพุธโธไปได้เดี๋ยวนั่งสมาธิก็ใจก็จะสงบได้ต้องพยายามต้องบังคับเหมือนหัดขี่จั ก, กรยานเนี่ยถ้าใหม่ๆขี่ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวมันก็ล้มเพราะขี่ไม่เป็น แต่พอหัดขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขี่มันได้ให้มันวิ่งพระให้มันพาเราไปไหนมาไหนได้เพราะเรารู้จักวิธีขี่แล้วเราชำนาญพุทโธก็เหมือนกันเหมือนขี่จักรยานเหมือนว่ายน้ำมันต้องหัดมันต้องฝึกกันไม่ใช่พออยากจะพุทโธปั๊บมันจะพุทโธได้มันไม่ได้หรอกมันต้องพยายามฝืนใจบังคับใจ ต่อไปนี้เราต้องพยายามพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธพอจะคิดอะไรจะคุยกับตัวเองก็พุโทโธพุโทโธไปดีกว่า<ม>นอกจากเวลาที่ต้องคิดถึงเรื่องที่ต้องคิด เ, เช่นเวลาทำงานต้องคิดบัญชีต้องคิดอะไรอย่างนี้ก็หยุดพุดโทโธไปก่อน ม, มาคิดกับงานที่เราต้องทำได้อยู่แต่พอไม่ต้องทำงานก็หยุดคิดมอนกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อ แล้วมันจะลืมเรื่องกาแฟเรื่องขนมเรื่องอะไรไปให้มันนั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้แต่ถ้าเราคิดอยู่ทั้งวันคิดถึงเรื่องขนมบ้างคิดถึงกาแฟบ้างคิดถึงละครบ้างคิดถึงอะไรบ้างมันก็เดี๋ยวก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วจะทำให้นั่งไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกับ มีอะไรอยู่ข้างในคอยอคอยกดคอยบีบใจ เ, เพราะความอยากนี่แหละคือตัวที่จะคอยกดคอยบีบใจอพอมันไม่ได้ทำตามความอยากมันก็จะบีบให้ใจรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้ามันเวลานั่งแล้วมันได้ทำอะไรที่มันชอบทำนี่มันจะไม่อึดอัดอให้มันนั่งดูละครไปเลยนั่งดูเป็นชั่วโมงมันก็นั่งดูได้ แต่ให้มันนั่งพุทโธแค่สิบนาทีมันก็จะตายให้ได้เพราะมันอึดอัดมันไม่ได้ทําตามที่มันอยากทํามันไม่อยากจะทําพุทโธถ้าอยากถ้าให้มันพุทโธพุทโธนี่มันจะอึดอัดมากเพราะมันไม่ชอบพุทโธมันไม่อยากได้พุทโธมันอยากได้หนังได้ละครได้ทําอะไรได้ดูหนังสือแฟชั่นอย่างนี้ ดูหนังสือที่ขายเสื้อผ้าหนังสือที่ขายเพชรขายพลอยถ้าดูอย่างนี้นั่งดูได้ทั้งชั่วโมงหลายชั่วโมงให้เลือกยิ่งท่าให้เลือกซื้อได้ยิง่งยิ่งสนุกใหญ่เลยหนังสือเพชรหนังสือพลอยมาดูอแหวนเพชรอันนี้ก็สวยกำไรก็สวยต้มหูนี่ก็สวยสร้อยคอก็สวยมีหลากหลายมีหลายสีมีหลายแบบ พอดูอย่างเพลิดเพลินเลยทําไมดูได้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยแต่พอให้ดูพุโทโธพุโทโธหน่อยไม่รู้อะไรขึ้นมาบีบคอบีบอกขึ้นมาแน่นหน้าอกขึ้นมาทันทีเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยปัญหาอยู่ที่เราทนกับความแน่นหน้าอกไม่ได้ทนกับความอึดอัดไปได้เวลาที่เราต้องพุโทโธพุโทโธกันจึงพุโทโธไม่ออกจึงพุโทโธไม่ไหว แต่เรามีวิธีก้เราอย่าเพิ่งม า, าพุทธโทเฉพาะตอนที่เรานั่งเราหัดพุทโธตอนที่เรายัางไม่นั่งเช่นเรากำลังอาบน้ำก็ลองพุทโทพุทโธไปหวีผมก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปหัดทาอย่างนี้ไปก่อนแล้วมันจะเริ่มชินกับพุทโทแล้วพอมันจะมานั่งมันจะไม่เลื่อนสียเป็ดอัด พอมันเริ่มชินนะมันเริ่มรู้สึกว่าพุทโธไม่มีปัญหาอะไรพุทโธไม่เป็นอันตรายต่อจิตใ จ, จแต่อย่างใดใหม่ๆ ม, มันอาจจะต่อต้านมันกลัวพุทโธมันมันคิดว่าพุทโธจะมาทําลายทำร้ายมันมันก็เลยเกิดอาการเกรงขึ้นมาแต่ถ้าเราหัดสอนมันพุทโธไปตอนก่อนที่เราจะมานั่งนะพุทโธไปทําอะไรก็พุทโธไปกินข้าวก็พุทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปนั่งนถไปทำงานก็พุโทโธไปหัดทำพุโทโธไปยิ่งถ้ามาอยู่วัดได้ยิ่งดีเพราะอยู่วัดจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดจะได้พุโทโธได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นอยู่ที่วัด น, นี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแต่เรื่องง่ายๆคิดว่าจะกินตอนไหนจะกินอะไรท่านั้นเองนอานั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรพุโทโธได้ทั้งวันทั้งคืน ลองทําดูถ้าพุทธโธยังไม่ไหวก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสร้อยจบไปก็ได้อิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธสวดไปภายในใจกําลังอาบน้ําก็สวดได้กําลังรับประทานอาหารก็สวดได้ทําอะไรก็สวดได้แล้วเวลานั่งตอนเริ่มตัง้งนั่งใหม่ๆก็ลองสวดไปก่อน สวดไปสักพักแล้วถ้ามันไม่รู้สึกอึดอัดเราก็หยุดถ้าเราเปลี่ยนจากการสวดมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เดี๋ยวลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราสวดแล้วเมื่อยเราอยากจะหยุดสวดไม่มีแรงสวดเราก็มาดูลมหายใจแทนนั่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก หายไปหายมาต่อไปก็ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบโอ๊ยทำไมเขาเข้ า, อ, าออกกันละเกินวะเป็นอะไรนั่งแค่ชั่วโมงเดียวนั่งไม่ได้เดี๋ยวคนนั่นเข้าเดี๋ยวคนนี้ออกเนียนักเรียนชอบทะเลถลายไม่ชอบอยู่ในงห้องเรียนกัน วันนี้ถูกเจ็บถูกผลบังคับให้มานั่งอยู่ในห้องเรียนกันอะอะก็เลยนั่งไม่ได้นานนั่งเดี๋ยวก็อึดอัดก็เลยหาเหตุเดี๋ยวต้องไปทํำนู่นต้องทํานี่ทําเสร็จเดี๋ยวกลับมานั่งพักเอาวเดี๋ยวไปอีเองนะเดี๋ยวคนนี้เข้าเดี๋ยวคนนั้นออกอออพอนั่งฟังทำมาล้วมันอึดอัดมันไม่ไดมันไม่เหมือนนั่งนั่งฟังเพลงหรือมันนั่งดูหนังะ ถ้านั่งดูหนังปวดฉี่มันก็ยังทนนั่งอยู่ได้ถ้าหนังยังไม่จบมันไม่ลุกหรอกแต่ถ้านั่งฟังธรรมะนี่พอรู้สึกปวดหน่อยไปแล้วทนไม่ไหวแล้วมันอยากจะหาหาเหตุที่จะหนีไม่ใช่อะไรกิเลสมันไม่ชอบธรรมะธรรมะทำให้มัน อ, อ, อึดอัดฟังแล้วมันมันขัดกับมันขัดกับมันเป็นเหมือน ฆ่าศึกศตรูกันนะธรรมะกับกิเลสนี่มันไม่ชอบกันพอมันเจอกันแล้วนี่มันจะต้องหนีกันแต่ถ้าเราหนีให้กิเลสนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะกำจัดมันได้ทำลายมันได้เราต้องบังคับให้มันอรับยารับธรรมะธรรมโอสถให้มันกินยา กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกิเลสมันก็ตายพอตายแล้วทีนี้สบายไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆได้นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ไม่รู้สึกอืดอัดไม่รู้สึกรำคาญแต่ตอนนี้นั่งแล้วฟังบางทีก็รำคาญเพราะว่ามันไม่ถูกใจนั่นเองไม่ถูกกิเลส แต่ถ้านั่งฟังเรื่องตลกโปกฮานี่นั่งหัวเราะกันได้นั่งฟังกันไปเป็นชั่วโมงก็ฟังได้นั่งดูหมอลำนั่งดูลิเกนั่งดูละครเอสนุกสนานเฮฮาดูได้มันถูกกิเลสกิเลสชอบถ้ามันฟังธรรมะมันกิเลสมันไม่ชอบมันก็เลยต้องลุกขึ้นลุกเข้าลุกออกอย่างเนี้ย นี่อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งบางที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะขึ้นมานั่งบนศาลากันถ้านั่งอยู่ไกลๆจะลุกไปไหนจะขยับไปอะไรก็ครูมองไม่เห็นครูมองไม่เห็นครูก็เลยไม่ว่าแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าครูครูเห็นครูก็อดพูดไม่ได้อดว่าไม่ได้เพราะมันไปแล้วมันจะไปฟังรูง้เรื่องตอนนี้เห็นไการฟังธรรมะมันต้องฟังด้วยกายวาจา ใจที่นิ่งที่สงบถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าฟังปั๊บเดี๋ยวลุกไปแล้วเดี๋ยวช่วงที่ลุกไปก็ไม่รู้แล้วเขาพูดอะไรกันพอกลับมาฟังต่อฟังไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกับดูหนังนะดูหนังได้สิบนาทีลุกเข้าเข้าห้องน้ำแนละ้วอีกห้านาทีกลับเข้ามาใหม่เอาพระเอกได้นางเอกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนื่องก็จะไม่ต่อเนื่องกันดูแล้วก็จะไม่ได้รสชาติ ธรรมะก็เหมือนกันถ้าฟังไม่อย่างต่อเนื่องมันจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจับต้นชนปลายไม่ถูกฟังไปแล้วก็ล้มเหลวยิ่งูอยากฟังให้เสียเวลาดีกว่าถ้าฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าฟังแล้วอยากได้ประโยชน์ต้องฟังอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าฟังอย่างต่อเนื่องแล้วจะได้ประโยชน์ ได้ความรู้ที่จะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆเช่นในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆอันนี้ถ้าเราฟังอย่างต่อเนื่องเราจะได้รู้เรื่องเมื่อเ ร, รู้แล้วเราก็จะได้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะการฟังธรรม เป็นเหมือนกับการาฟังการบอกทางสู่สถานที่ที่เราอยากจะไปกันถ้าเราอยากจะไปที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องถามทางระหว่างที่เขาบอกทางเราเราก็ฟังแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุกเดินไปที่อื่นแล้วเดี๋ยว ก, กลับมาฟังต่อ เดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าทางที่เขาบอกให้เราไปนี่ไปตรงไหนอย่างไรเพราะเราไม่ฟังอย่างต่อเนื่องนั่นเองเวลาใครเ็าบอกทางเราถามทางก็เรากต็ตั้งใจฟังไม่ใช่พอเ็าบอกคํานึ่งเก็ไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวก็กลับมาฟังใหม่อย่างนี้คนบอกทางก็ขี้เกียจบอกบอกไปก็ไปไม่ถึงที่อยู่ดีบอกไปก็เสียเวลาคนฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร ข้างบอกว่าการฟังทำเป็นมงคลอย่างยิ่งจะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อต่อเมื่อต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งที่สงบกายก็ไม่ขยับไม่ลุกขึ้นลุกออกนุกนั่งลุกอะไรนั่งเฉยๆวาจาก็ไม่คุยกันแล้วกใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้ตั้งใจอยู่กับการฟัง ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่ถึงจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาพอเกิดความเข้าใจก็จะได้ปัญญาได้ความรู้อ๋อรู้แล้วว่าความสุขปลอมเป็นอย่างไรความสุขจริงเป็นอย่างไรถ้ายังอยากจะได้ความสุขปลอมก็ทำอย่างที่เคยทำต่อไปถ้าอยากจะได้ความสุขจริงก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำใหม่ ต้งมาพุโทโธมหัดพุโทโธพุธโทโธมานั่งเฉยเฉยมาทําใจให้สงบใหม่อันนี้เป็นความสุขใหม่ความสุขจริงความสุขแท้ความสุขที่ได้รับประกันคุณภาพจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับสินค้าที่ก็มีออยอมารับประกันวายานี้มีประสิทธิภาพมีออยอรับประกันซื้อแล้วไม่ถูกหลอกอ กินแล้วหายรักษาโรคได้ถ้าไม่มีอยอยับประกันนี่กินแล้วอาจจะตายก็ได้เพราะเป็นยาปลอมอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องความสุขที่แท้จริงนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันเองพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเนี่ยท่านเป็นได้พิสูจน์มาแล้วถ้าได้าท่านเป็นหนูลองยาไม้พวกเราแล้ว ท่านได้ทดลองกินยานี้มาแล้วกินแล้วทําให้โรคภัยหายขาดขอให้เราเชื่อแล้วเราเอายานี้ไปกินนั้นน่ะถ้าไม่กินมารับยาแล้วก็พอกลับบ้านก็เอายาทิ้งไปโรค ก, ก็ไม่หายความทุกข์ใจก็จะไม่หายถ้าฟังเทศฟังธรรมมาอยู่วัดกันสามวันเจ็ดวันพอกลับไปบ้านก็ไปทําแบบเดิมไปอยากได้นั่นอยากมีนี่เหมือนเดิม ไปหาความสุขจากกาแฟกับกระเป๋ารองเท้านครท่องเที่ยวเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาวัดใหม่ถ้าเรายังหาความสุขแบบเดิมอยู่เราก็จะต้องเจอความทุกข์แบบเดิมอยู่เพราะความทุกข์แบบเดิมที่เรามีกันนี้มันเกิดจากการไปหาความสุขแบบเดิมนี้ ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์แบบเดิมเราก็ต้องหาความสุขแบบใหม่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันให้เราถือศีลกันแล้วก็มานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันมาเจริญพุทโธพุทโธไปให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ รับรองได้เวลานั่งสมาธิใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะมีความสุขนะแล้วพอออกจากความสงบมาถ้าอยากจะให้มันสงบต่อไปก็อย่าให้มันอยากมันอยากก็อย่าไปทำตามความอยากเดี๋ยวพอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองเดี๋ยวมันก็หมดกำลังฉันอยากสูบบุหรี่เนี่ยถ้าไม่สูบเดี๋ยวก็เลิกสูบบุหรี่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สูบ พอมันอยากเราไม่สูกเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังไปกาแฟก็เหมือนกันสูราก็เหมือนกันดูหนังดูละครก็เหมือนกันถ้ามันอยากดูแล้วเราไม่ไปดูมันเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าไปดูแล้วมันก็จะต้องดูไปจนวันตายมันก็จะอยากไปเรื่อยถ้าไม่อยากให้มันอยากไปเรื่อยอยากให้มันหายไปก็ต้องเลิกอย่าไปดูมันอย่าไปสูกบุหรี่อย่าไปดื่มกาแฟ อย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปเที่ยวเคนที่เ็าไม่เที่ยวเ้าทำไมไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่เที่ยวคนที่เที่ยวก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆพอวันไหนไม่ได้เที่ยวก็ซึมเศร้าอยู่บ้านก็เหงาว้าเวแต่คนที่เ็าไม่เที่ยวเ็าอยู่บ้านอย่างมีความสุขเพราะเขาไม่มีความอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเขาอยู่บ้านเขากลับมีความสุขกว่าออกไปเที่ยวนอกบ้าน แต่คนที่อยากเที่ยวนี่อยู่บ้านแล้วจะเหงาจะอึดอัดจะว้าเเวพอได้ออกไปเที่ยวก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านความดีใจนั้นก็หมดไปอกีกเนี่ยต้องออกไปใหม่ถ้าไม่ได้ออกก็ก็อึดอัดใจไม่สบายใจอ่านี่คือเรื่องราวของการหาความสุขแบบเก่ากับความสุขแบบใหม่ถ้าเรายังไม่เลิก หาความสุขแบบกล่าเรารับประกรันได้เดี๋ยวต้องเจอความทุกข์อีกเดี๋ยวต้องร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวต้องเศร้าโศกเสียใจเดี๋ยวต้องว้าวเวยวุ่นวายใจเพราะความสุขที่เราได้เดี๋ยวมันจากเราไปเช่นได้แฟนมาดีใจสุขใจเดี๋ยวพอแฟนไปแอบไปมีใครหน่อยความวุ่นวายใจตามขึ้นมาทันที ทำไมต้องวุ่นวายใจด้วยเขาไปหาอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราคิดไปแล้วว่าอเขาไม่เอาเราแล้วเี่ยความสุขที่เราได้จากเขามันไม่ได้แล้วเพราะเขาไปหาคนใหม่แล้วความวุ่นวายใจก็จะตามมาความเสียใจก็ตามมาแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวพอหาคนใหม่ได้ก็เป็นแบบเดิมอีกเพราะคนเก่าเลิกกันเดี๋ยวก็ไปหาคนใหม่เดี๋ยวหาคนใหม่มันก็เจอปัญหาแบบเดิมเอีก ตราบใดถ้าเราไม่มาห า, หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเจอความวุ่นวายใจอยู่ไม่มีวันจบวันสิ้นนีถ้าอยากจะได้ความสุขแบบไม่มีความวุ่นวายใจก็มาทําใจให้สงบกันะมาหัดพุทโธกันมาสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจต้องเลิกความอยากให้ได้ วิธีแล้วก็คืออย่าไปทำตามความอยากให้เห็นว่าทำแล้วแทนที่จะสุขกับจะทุกข์ทีหลังอาจจะสุขตอนต้นได้อะไรมาก็สุขแล้วเดี๋ยวพอเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะทุกข์อยู่ดีให้คิดอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเราก็จะเลิกหาความสุขแบบเก่าได้แล้วเราก็จะมาหาความสุขแบบใหม่แล้วก็จะมีความสุขไปตลอดอย่างไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไป และในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตโสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิชติอาราโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตตมาเตภวตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิปสานิจจาวุทฒาปจายโน จตารธรมาวะทานติอายุวนโนสุขังภาลังต่อไปต้องประกาศก่อนเวลาใครจะมานั่งมุนสาลาว่าถ้าจะนั่งก็ต้องนั่งไปตลอดนะให้ม้วนเดียวจบถ้านั่งเข้าๆออกๆออ ก, ก็ไปนั่งที่อื่นดีกว่านะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook สามร้อยแปด YouTube หนึ่งร้อยสามสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดรับฟังบนเขาสามสิบสามรวมทั้งสิ้นห้าร้อยสามค่ะวันนี้ฝนตกนะฟ้าร้องฟ้าผ่าเปียงเปียง ม, มีคำถามไหมค่ะมีคำถามค่ ะ, ะที่นี่ข้างบนมีใครอยากจะถามหรือเปล่ามีเดี๋ยวส่งไมครโฟนไปให้ ามาหยิบไปกับโฟนหน่อยสิทำเป็นเขย ใ, ใหม่ได้เนมะื <laughs> ว่าวานที่คุยกายๆายปากเนมะื่อวานที่คุยกับท่านอาจารย์ไว้ครับเอ่อที่ว่าเรื่องนั่งครับเสร็จแล้วทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าพอติดสุกเสร็จเนี่ยให้ตัดมันใช่ไหมครับไม่ให้รักษามัน กิเลสมันจะมาทำลายความสุขนี้อ่ะครับอก็ผมก็นั่งจิตอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าครับแล้วก็ เ, เพิ่มพุทโธเข้าไปด้วยครับแล้วก็พอนั่งเสร็จปั๊บคราวนี้มันก็เริ่มดิ่งอะครับแล้วทินิสรู้สึกตัวเองมันสุขมากสุขจนแบบต้องอธิษฐานจิตตัวเองอครับแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรพอพอแผ่ต่อไปเนี่ย แผ่ไปสักพักเนื้อครับอันนี้จิตมันเริ่มลอยออกครับกายเนี่ยรู้สึกว่ามันบังคับตัวเองไม่ได้เลยนั่งนิ่งอยู่ยงั้ น, นครับแต่ตัวเองเนี่ยรับรู้ทุกอย่างแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดอะไรไม่ออกครับ น, นอกจากจะต้องสวดอิติปิโสครับสวดไปเรื่อยๆสวดโดยที่ไม่รู้เวลาครับตั้งแต่กลับไปครับจนมาเริ่มรู้สึก ตัวอทีหนึ่งเนี่ยก็สวดไปเรื่อยๆสวจดจุดจนถึงขั้นต้อบอกตัวเองว่านั่งหนอนั่งหนอสักพักถึงจะเริ่มมาคับตัวเองใหม่ได้ครับก็ประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าคือประมาณสองทุ่มกว่ากว่าครับเพ่เริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันผิดปกติหรือเปล่าครับถาว่าปกติมันเป็นยังไงนะ มันแต่ละคนปกติมันไม่เหมือนกันบางคนก็นั่งหกชั่วโมงก็าไมเหมือนกันเขาไม่ผิดปกติอันนี้ผมมันมันอจิตมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ามันก็เกิดอย่างที่มันเกิดนะคุณมีหน้าที่ทําให้มันสงบเท่านั้นแหละสงบอให้มันนิ่งมันเหมือนม้าพยศไงถ้ามันมีอาการต่างๆแสดงว่ามันมันกําลังพยศ ต้องหยุดมันให้มันนิ่งให้มันนั่งเฉยๆย่างมีความสุขอันนี้มันก็นั่งอย่างมีความสุขครับสุขแล้วจะไปหาอะไรกัะแ ต, แต่แต่ไม่เข้าใจครับทำไมตอนช่วงที่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้อะครับอ่าก็แสดงว่าประโยชน์เราถ้าบังคับไม่ได้อมันต้องบังคับได้ทุกอย่างบังคับกายวาจาใจให้อยู่ในความสงบ ก็ไม่ใช้พุทโธก็ใช้สวนอิติปิโสไปให้มันสงบนะครับพอไม่มีสติมันก็พยศขึ้นมาแปลว่าผมทำถูกแล้วใช่ถูกแต่ผิดถูกแต่ผิดถูกแต่มันยังพยศอยู่ครับผมขอบพระคุณครับมันพยศก็ต้องให้มันหยุดพยศให้มันสงบเนว้ส่งไปทั้งต่อสาทุค่ะพูดใกล้ใปากหน่อยค่ะ กายกายปากนะของหนูนี่ออนั่งนั่งหน่อยขาดมีความเข้าใจว่าเวลาอย่างเดินเดินจงกรมอย่างเงี้ยค่ะเวลาย่างสายย่างขวาเงี้ยค่ะทําความรู้รู้ที่ว่าย่างสายย่างขวาแล้วก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยทีนี้มีความเข้าใจเองอะค่ะว่ามันเกิดความเข้าใจว่า ไอ้ตรงที่เรายากเนี่ยคือเรารู้แต่ว่าตรงที่ภาวนาพุทโธเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นที่เราคิดไปใช่ไหมคะ อ, อไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธให้มันรู้เฉยๆก <inação S 2> ็คือก็คืออยู่ที่ตรงรู้เฉยๆรู้เท้ากําลังยา่างอย่างกาลังก้าวกําลังย่างก็ให้รู้ซ้ายขวาไปอื <Rig> <ส>เพื่อไม่ให้มันคิดแค่นั้นเองถ้ามันคิดที่ก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปเพราะบางทีมันใช้ใช้คู่กันแล้ว ตอนแรกก็รู้รูอ้อย่าใช้คู่กันใช้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะรู้ก็รู้เท้าไปถ้ามันไม่ยอมรู้มันจะพุโทโธพุโทโธมันจะคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องดูเท้าไม่ต้องย่างเพราะตอนนั้นที่กราบเรียนท่านอาจ า, จารย์บอกว่าให้ให้ย่างซ้ายขวาแล้วก็เอาเอาพุโทโธกำกับพุโทโธขวาพุโทโธซ้ายแล้วถก็ได้พุท พุโทโตซ้ายพุโทโตขวาไปก็ได้ค่ ะ, บ, ะบางทีทําไปอย่างที่บอกอะค่ะพอมันรู้รู้การก้าวแต่บางทีมันก็ ก, กลับมาว่ามารู้มารู้ตรงพุโทโตค่ะมันเหมือนอเด้งขึ้นมาตรงพุทโตขอให้มันไม่คิดนะที่ทํานี้เพื่อให้มันมาหยุดคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หยุดคุยกับตัวเองค ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้ว อ, อยู่กับการย่างก้าวไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้วิธีไหนก็ได้ใช้าทำให้เราหยุดคิดหยุดพูดหยุดคุยกับตัวเองได้แล้วก็เหมือนกับการใช้ชีวิตปกติคือกายกตาสติก็เหมือนกันใช่ไหมคะงัน้นการทําอะไรก็จะพุบบโทโธไปก็ได้แล้วจะดูว่าเรากําลังทําอะไรก็ได้บางทีมันเด้งไปเด้งมาไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ก็ธรรมดามันยังดิ้นอยู่อะมันสู้่มันไม่ยอมอยู่มันไม่ยอมอยู่ที่งานที่เราให้มันอยู่มันเดี๋ยวค่อยแวบไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ต้องดึงมันกลับมาอยู่เรื่อยๆค่ะไม่บางทีมันมันไปที่กายบางทีมันก็กลับมาที่พุทโธบางทีเพก็ไปที่กายอย่างนี้ค่ะนั่นแ่ะก็ให้มันอย่าคิดไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรถ้ามันมีพุทโธหรือมีกายก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงอดีตคิดถึงอานอดินี้ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ อยู่กับกายอย่างเดียวอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวนี่ใช้ได้อ่ามีใครอยากจะถามาไหมไม่มีก็ส่งกลับไปอ่าลองให้ทางบ้านดูบ้างคำถามจากคุณปอค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะระงับความกโกรธได้อย่างไรครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็มีหลายวิธีเวลาโกรธก็ถ้าเราใช้พุทโธเป็นก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจเราคิดถึงเรื่องที่เรากําลังโกรธหรือคนที่เรากําลังโกรธเนี่ยหนึ่งมันออกจากเหตุการณ์หนึงมันจากเรื่องที่เราไปคิดเกี่ยวข้องด้วยแล้วให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอมันลืมเรื่องที่ทําให้โกรธมันก็หายโกรธเองแต่มันจะหายชั่วคราว เดี๋ยวเวลากลับไปคิดถึงมันใหม่ก็โกรธขึ้นมาได้อีกวิธีที่จะให้หายถาวลก็ต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรความโกรธความโกรธมันก็เกิดจากความอยากของเราพอเราอยากไม่ได้อะไรพอไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธนั้นเราอย่าไปโทษคนที่ทำให้เราโกรธเราต้องโทษโทษความอยากที่ทำให้เราโกรธเพราะถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขา งั้นตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากของเราต่อไปเราก็อยากไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาแล้วเราต้องมาขออภัยเขาซื้ได้ซ้าไปว่าที่เมื่อกี้ไปขอไปอยากให้เขาทาอะไรให้เราถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราหรือให้อะไรเราเราก็จะไม่โกรธเขาใช้ปัญญาพิจารณาแล้วต่อไปก็จะไม่โกรธไม่โกรธใครเพราะจะเห็นโทษว่าความโกรธนี้เกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้ทำอะไรไม่ตามใจเราอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรแล้วเราก็ไม่มีวันที่จะโกรธเขาคำถามข้อต่อไปจากคุณเอสจากทาง u t u ู e ค่ะยงปฏิบัติมาเรื่อยๆช่วงนี้แม้ไม่นั่งสมาธิจิตสงบจะคิดเฉพาะเวลาที่ต้องคิดถ้าไม่ต้องคิดจิตก็ว่างๆ ดูการเคลื่อนไหวของกายไปเองบ้างเป็นบ่อยขึ้นโดยไม่ต้องบังคับเหมือนก่อนมีความสุขค่ะควรทำอย่างไรต่อคะก็ทำให้มากมากขึ้นแล้วควรจะนั่งเฉยๆให้มันนิ่งให้มันสงบต้องให้ต้องนั่งให้ได้ขั้นต่อไปต้องนั่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิ คำถามจากคุณทุิชาค่ะคุณแม่หนูป่วยหนูรู้สึกทุกข์ใจมากอยากให้เขาหายป่วยคุณแม่เป็นคนดือ้อไม่ค่อยฟังใครหนูควรทำอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากความป่วยของแม่หรือจากความดื้อของแม่ความอยากของเราทำให้เราทุกข์ เพราะว่าอยากให้แม่ทาตามใจเราพอแม่ไม่ทาเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไปว่าแม่ดือ้อความจริงเราตัวเองอะดือ้อดื้อที่ไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากให้เขาทำเหตนเราอย่าดื้อกับตัวเราเราอย่าไปอยากอะไรกับใครแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจ <c oughs> เราดูแลกันไปตามตามเหตุตามผลพอไม่สบายเราก็ดูแลไปหาอยู่หายาหาหมอพาไปโรงพยาบาล ทำหน้าที่ของเราไปส่วนเขาจะหายไม่หายมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคำถามจากคุณเมลดีีทางเฟ e b o o k ค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะโยมมาปฏิบัติธรรมบนเขาช่วงกลางคืนสถานที่วิเวกมากเกิดความรู้สึกกลัวปรุงแต่งโยมจะมีวิธีลดความกลัวได้อย่างไรคะก็หยุดคิดนะสิหยุดคิดใช้พุทธโธพุทธโธมันเนี่ย ที่ให้มาอยู่ที่หน้ากลัวเพื่อจะได้บังคับให้หยุดคิดไงพอมันคิดแล้วมันก็กลัวพอเราใช้พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเราก็หยุดคิดความกลัวก็จะหายไปนงั้นถ้ามาอยู่ที่หน้ากลัวแล้วต้องต้องสามารถเจริญสติให้ได้ต้องสามารถพุโทโธให้ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้เดี๋ยวทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวกลัวมากๆ ก, ก, ก็ขอกลับบ้านคำถามจากคุณนรุพนัทค่ะ พุโทโธไปได้สักพักไม่นานเผลอไปคิดเรื่องอื่นเสมออยากควบคุมให้ได้มีเคล็ดรับไหมครับในการควบคุมความคิดไม่ให้คิดครับก็ดึงกลับมาหาพุโทโธอยู่เรื่อยๆพอมันไปพอรู้สึกตัวก็ดึงมันกลับมาทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปพุโทโธก็จะไวขึ้นเร็วขึ้นอแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปคิดต้องพยายามทําไปเรื่อยๆอตอนนี้พุโทโธเรายังเป็นเหมือนเด็กอยู่น้อมลุกคุกคาน บางทีก็เดินได้สองเก้าก็ล้มไปเองแล้วพุดโธได้สองคำแวบไปคิดเองแล้วเดี๋ยวก็กลับมาลุกขึ้นมาเดินใหม่ก็พุดโธได้สองคำอีกเดี๋ยวก็กลับไปคิดเองใหม่ๆก็จะชักไปเยอะกันอย่างเงี้ยมันดึงไปเราดึงมาต่อไปเราดึงบ่อยๆดึงมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็จะมาทางพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นไปเองต่อไปก็เหมือนผู้ใหญ่ต่อไปก็ยืนได้เดินได้ไม่ล้มไม่ต้องขานแต่ใหม่ๆมันก็อย่างเนี้ย พุโทโธได้สองคำไปแล้วพอไปพอรั่วไปก็ดึงกลับมาพุโทโธใหม่ต้องชักกันไปดึงมันมาอย่างนี้ไปแล้วต่อไปกำลังของพุโทโธก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องอดทนหน่อยต้องมีความเพียรพยายามอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็ไม่มีวันสำเร็จ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหันหายพยายามดึงดึงใจเข้าหาพุทโธอยู่เรื่อยๆมันจะไปเราก็อย่าไปโกรธมันถ้าโกรธมันก็จะทําให้เราท้อทําให้เราเบื่อหน่ายเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนปูจับปูใส่กระด้งเดี๋ยวมันก็ออกไปเองเราก็ต้องใจเย็นๆกลับจับมันเข้ามาใหม่จับมาเข้ามาใหม่จนกว่ามันจะเหนื่อยเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็จอดมันก็ไม่ไปเอง เดี๋ยวถ้าเราดึงมันหาพุทโธบ่อยๆเดี๋ยวมันเหนื่อยมันหยุดคิดเองแล้วมันก็จะไม่ไปหมดแล้วนะใจตอนนี้มันมันดื้อเวลาจะสอนอะไรใหม่ๆนี่มันยากเพราะมันมันมันไม่เคยชินมันชอบของเก่ามันเคยคิดมันก็อยากจะคิดไปเรื่อยๆพอจะให้มันหยุดคิดนี่มันก็จะไม่ยอมหยุดเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาเนี่ย ถ้าจะให้มันหยุดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกเถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดนะมันก็วิ่งลงไปเรื่อยๆของมันแต่ถ้าเราเหยียบเบรกมันก็จะหยุดแต่พอเราปล่อยเบรกมันก็วิ่งต่อไปงั้นเราก็ต้องพยายามเหยียบเบรกเยอะๆเหยียบจนกระทั่งมันมันไม่มันไม่วิ่งอจะไม่วิ่งก็ต้องเบรกต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาจะให้มันหยุดขึ้นก็ต้องพุทโธไปตลอดเวลา พอพุดโธได้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วก็หยุดพูดโธได้เ้วก็รู้เฉยๆได้ตอนนี้เราไม่ยอมรู้เฉยๆมันรู้แล้วก็คิดคิดไปด้วยคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจเรามีสองส่วนเป็นผู้รู้กับผู้คิดสิ่งที่เราต้องทํานตอนนี้ก็คือหยุดผู้คิดถ้าหยุดผู้คิดก็จะเหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลา อต่ไปรู้กับความคิดที่ไม่ดีเลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ยเราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไปคิดอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดแล้วจะทําให้เราทุกข์วุ่นวายใจเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้พอเราหยุดความคิดนี่ก็จะเหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้แล้วตัวรู้ถ้าอยู่ตามลําพังตัวรู้จะมีความสุขมาก ยพยายามให้หยุดความคิดให้ได้ด้วยพุโทโธพุโทโธไปยังไม่มีคำถามเข้ามาไม่มีเดี๋ยวขอพักดื่มน้าเดี๋ยวใครอยากจะถามอก็ถามได้นะอ่าทำไมาก็พ้นกลับมาอยาก เ, าเดินถามครับเวลาฝึกสมาธิเวลานอนเนี่ยครับ จับตรงไหนถึงจะดีที่สุดอะครับเวลานอนก็ไม่ฝึกสมาธิแล้วเวลานอนก็นอนกันก็หลับกันถ้าอยากฝึกสมาธิก็นั่งสมาธิกัน<ต>เดิ น, <ต>นยังยยังย ง, ยงเดินอย่า ง, งเดินผมพอพอทําได้อะครับอก็ให้จิตมันไปตามกิริยาที่เราก้าวย่างหยุดอันนั้นเป็นการจเจริญสติยังไม่เป็นสมาธิ จ, ะจะ่ายจ่ายเป็นสมาธิต้องนั่งเนอะครับแล้วเสร็จพอเดินเสร็จปั๊บผมก็มานั่งเ อ, อนั่งกนก็ดูลมไปหรือพุทโธไปก<ต>็นอนนอนไปทำอย่างอื่นนอนนี่ไม่ไม่มีใช่ไหมครับนอนก็หลับเท่านั้นเองถ้านอนถ้านอนไม่มีไว้พักผ่อนหลับนอนแม่ผมเมื่อคืนซัดสัเกือบปีห้าครับถ้านอนนะถ้านอนครับเออเามือจับไปที่ท้องยุบหนอพองหน่อเลยครับเนี่ย ไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ไหมครับอ่ามันสงบหรือเปล่าสงบครับสงบก็เกิดประโยชน์แล้วไงทำสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบให้มีควา<ง>มส้บได้ถามไหมครับอ่พาพอให้เวลาเดี๋ยวมีคำถามเข้ามาถ้านอนแล้วไม่สไม่หลับก็ก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่นอนกันมักจะหลับกันซงส่วนใหญ่มันนั่ง สมาธิแล้วเหมือนแบบมันยังค้างๆอยู่อะครับพ อ, อมันไม่หลับก็ขึ้นมาต่อเนี่ยครับอืมไม่หลับไปสลับานาทีก็ลงไปเดินต่อเนี้ยครับก็ต้องทําอย่างนั้นแหะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเอเรียบท่างต่างบางคนที่เขาถือไม่หลับเลยไนงะไม่ยอมนะไม่อยู่ในท่านอนเอาอยู่แต่ท่าเดินท่ายืนท่านั่งเขากลัวเวลานอนแล้วจะหลับแต่ถ้าเราไม่หลับก็ไม่เป็นไระ อ่ามันคำถามก็มาะคำถามจากคุณกรจากทางยูทูบค่ะอกหกักทอยางไรดีครับพระอาจารย์อกหักเลยก็ไปหาหายามารักษาสิ อ, อกหักก็ต้องใช้ธรรมะมารักษามาสอนใจว่าที่อกหักก็เพราะไปรักเขาถ้าไม่ไปรักเขาก็ไม่อกหกักถ้าไม่อยากจะ อ, อกหกักก็อย่าไปรักเขาเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไป เรีกว่าตายจากกันไปแล้วไม่มีแล้วก็อย่าไปอย่าไปอยากให้เขากลับมาเพราะเขากลับมาเดี๋ยวก็อกหักอีกตอนนี้ก็ใช้เวลารักษาแผลใจไปถ้าอยากให้หายเร็วก็ใช้พุทธโธพุทธโธเวลาจะไปคิดถึงเขาก็พุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเขาถ้าไม่คิดถึงเขาอยู่กับพุทธโธเดี๋ยว อาการ อ, อกหักอาการซึมเศร้าก็จะหายไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมัน คำถามจากคุณสัพพรสีจากทางย t u b e ค่ะโยมทำบุญสร้างวัดและทำทานด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีพระทุกครั้งและทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ไม่เคยไปด้วยตัวเองถึงสถานที่นั้นๆอยากทราบว่าโยมจะได้บุญอย่างไรเจ้าคะก็ได้เหมือนกับเวลาทำบุญทั่วทั่วไปเนี่ยเวลาใส่บาทก็ได้บุญเวลาเอางเงินบริจาคใส่ตู้ก็ได้บุญ ทีนี้เราไม่ได้ไปเองเราก็โอนเงินไปสมัยนี้ก็ได้บุญเหมือนกันคือได้บุญที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราเนะ่งั้นบุญเป็นเหมือนกันแต่วิธีทำให้มันเกิดบุญมันไม่เหมือนกันเพราะมันมีวิธีต่างกันแต่ได้บุญเหมือนกันก็คือการเสียสละทรัพย์คำถามจากคุณทิ ช, ชาจากทางเฟซบุ๊ค่ะเราจะหยุดห้ามความอยากได้อย่างไรคะ ก็เนี่ยต้องใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธอย่าให้มันคิดถึงสิ่งที่เราอยากแล้วมันก็จะอยากไม่ได้แล้วพอเราหยุดได้แล้วแต่มันหยุดได้ชั่วคราวถ้าใช้สติพอเราเผลอสติมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้ใหม่ถ้าอยากไม่ให้กลับไปเลยก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าเรื่องที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นสุขหรอกมันเป็นสุขปลอม มันจะมันจะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปมันต้องหมดไปหรือต้องจากกันไปถึงเวลานั้นความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะเลิกความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันพัดภาคจากกันไป คำถามข้อต่อไปจากคุณอุบาสกพงศ์ค่ะที่บ้านเลี้ยงแมวเยอะมากตอนนี้ออกลูกเยอะมากๆถ้าจำเป็นต้องฉีดยาคุมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกคุมกำเนิดไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ฆ่าเขา คำถามจากคุณฟูค่ะกรณีคนไปบวชแต่ยังมีสมบัติเป็นชื่อของเราอยู่ยังบวชได้อยู่ไหมหรือครับหรือถ้าเป็นปาปปชิตแล้วยังมีสมบัติอยู่ถือว่าผิดวินัยสง์หรือไม่ครับคือมันไม่มีวินยัยข้อห้ามว่าไม่ให้มีสมบัติเพียงแต่ว่าการบวชที่แท้จริงนี่เขาเขาบวชแบบไม่เอาสมบัติติดตัวไปธรรมเนียมของนักบวชนเขาจะไม่มีสมบัติกัน ไปตัวเปล่าๆพระพุทธเจ้าเวลาไปบวชก็ไม่ได้เอาสมบัติติดตัวไปด้วยอันนี้เป็นธรรมเนียมไม่ได้เป็นข้อข้อบังคับข้อห้ามเพราะฉะนั้นถ้าไปบวชแล้วเกิดมีสมบัติขึ้นมาก็ไม่เสียหายตรงไหนถ้ามีคนก็จะมอบให้แต่พระพุทธเจ้าให้ถือไม่ให้ถือว่าเป็นสมบัติของตนเท่านั้นเองไม่ครอบครองไม่ให้เก็บรักษาเองให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ เวลาจะใช้ก็บอกให้เขาเอาไปทำตามที่เราต้องการเวลาเขาโกงเราก็ถือว่ายกให้เขาไปเพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของเราเป็นเงินของผู้อื่นเขาฝากมาให้เราใช้เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหาการมาบวชนี้ไม่ได้มาหาสมบัติหามรรคผลผนิพพานสมบัติจะเป็นอุปสรรคต่อการหาทรัพย์ทรัพย์ภายในแต่สมัยนี้ เนื่องจากการบวชของเรามันมีบวชแบบหลายแบบบวชแบบชั่วคราวบวชแบบถาวรก่อนที่บวชแบบชั่วคราวก็เป็นมาเศรษจีแต่เขาอยากจะบวชจะให้เขายกสมบัติให้คนอื่นแล้วมาบวชสิบห้าวันเขาก็คงจะไม่บวชนะเดี๋ยวกลับไปก็กลายเป็นขอทานฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีกฎบังคับว่าใครมาบวชนี้จะต้องยกสมบัติให้คนอื่นไปอยากอย่างในหลวงบวชท่านก็ไม่ได้สาะราชสมบัตินีย ท่า น, นก็ยังบวชแค่สิบห้าวันท่านมีศรัทธาแต่แบบนี้เขาเรียกว่าบวชไม่จริงไงบวชแบบบวชแบบมาชิมขนมมากกว่ายังไม่ได้กินของจริงถ้ากินของจริงก็ต้องไม่ไม่เอาอะไรติดตัวแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบนั้นถึงอยอดนี้ก็บวชจริงแต่สมัยนี้มันบวชแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เลยไม่รู้เขาก็เลยไม่มีกฎ ร, ระเบียบมาบังคับว่าคนที่จะมาบวชนี้จะต้องไม่มีสมบัติติดตัวมาเลย คำถามจากคุณคารค่ะกรับนะมัสการถามครับเมื่อวันอาทิตย์ผมขายของเก่าราคาผิดไปจาก 3,005 ขายไป 2,005 ผมรู้สึกผิด ผิดกับเพื่อนเพื่อบางคนที่ไม่ได้ให้เขาดูก่อนผิดกับลูกเมียที่ขายของผิดราคาไปกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืนผมจะหยุดคิดได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ครับโอเคว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันออพันบาทที่เราคนจะได้เราไม่ได้เราก็คิดว่าเป็นการทำบุญให้คนที่เข้ามาซื้อของไป เ, ออเป็นบุญของเขาเ อ, อ, อยู่ดีๆก็ได้มีคนทาบุญกับเขา เ, ออเราก็ได้บุญเราก็มีความสุข คำถามจากคุณสุภกรค่ะหนูเตรียมของออกไปใส่บาตรทุกวันลูกและสามียกยกใส่หัวสาธุทุกครั้งไม่ทราบว่าได้บุญด้วยหรือเปล่าคะมันอยู่ที่ว่าของเป็นของใครคนที่เป็นเจ้าของอได้บุญคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้บุญจากการเสียสละแต่ได้บุญจากการร่วมอนุโมทนาซึ่งไม่เหมือนกัน บุญที่ได้จากการเสียสละกับบุญที่ร่วมการอนุโมทนานี้ไม่เท่ากันบุญที่ได้จากการเสียสละย่อมมากกว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาเดี๋ยวข อ, อมイค์โฟนหน่อยพูดดังๆงหน่อยเสียงใกล้ๆครับอาจารย์ครับมีมีคนบอกว่ารักธรรมคำสอนขององค์พระธรรมักรเจ้าเนี่ยระหวัาง แก่นกับกระเพืเนี่ยมันแตกตาก่างกันยังไงครับแกนคืออะไรแล้วก็กระพือคืออะไรครับผมออก<า>ระเพือยกระเพืรรหรือเปลือกก็คือพิธีกรรมต่างๆเนี่ยพิธีกรรมร ท, ที่เราทํากันเช่นอพิธีเรียกว่าอะไรเอ่เททองหล่อพระอะไรพวกนี้ เวลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แล้วก็มีการทําพิธีอะไรต่างๆอันนี้คือกือพิธใช่ไหมครับอ่าเปรออ่าลกแกลนนะครับแกลนก็คือการปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติต้องศึกษาคําสอนของพุทธเจ้ า, า, า, าให้เข้าใจอย่างท่องแท้วิธีที่จะปฏิบัติกาจัดกิเลสทําอย่างไรแล้วก็นํำมาไปปฏิบัติครับท้าวจ้าก็สอนให้ไปรักษาสีนัน่งสมาธิให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป อันนียเป็นแก่นการปฏิบัติแล้วแล้วหลักหลักธรรมคาสอนขององค์พระเจ้าเนี่ยแก่นที่เป็นหลักธรรมคาสอนเลยเนี่ยคืออะไรครับก็เนศีลสมาธิป <Disc ourse> <irt> ัญญาให้รักษาศีลคขั้นต้นก็เอาศีลห้าก่อนพอศีลห้าได้ก็รักษาศีลแปถ้าศีลแปได้ถ้าอยากจะไปบวชก็ไปรักษาศีลสองร้อยย่สบเจ็ดต่อเราจะได้มีเวลานั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืน พอได้สมาธิก็จะได้ความสุขก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือก็คือว่าแก่นก็คือหลักธรรมคาสอนส่วนกระพีน yes? ี่คือการปฏิบัติใช่ไหยครับการปฏิบัติเช <time> <of> ่น <Eso> ว่าเททองหรือ <sighs> ว่าหล่อพระพุทธรูปสร้างพระอุโบสถอพิธีกรรต่างๆพิธีเขาชวนเชิญให้เราไปร่วมทําพิธีอะไรต่างๆอ๋อนี่คือกระพี้ครับผมครับผมก็แล้วกันครับหมดแล้วเลย มีใครอยากจะถามอยู่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะปิดลงแล้ววันนี้เดี๋ยวลองพักหนนาทีสองนาทีดูคนทางบ้านใครกำลังพิมพ์อยู่ก็ให้เวลาเขาสักหนาทีสองนาทีถ้าไม่มีเข้ามาเดี๋ยวก็จะปิดลงแล้ววนันนี้อากาศบรรยากาศค่อนข้างที่จะไม่คึกคักเหมือนธรรมดาทั่วไปฝนตก ก็ยังเหลือประมาณสักสิบสีนาทีถามเดืนไมื่อวานนะครับ <c oughs> เดินมื่อวานไปอ่านใน g ูเ g l e มาเมื่อวานที่คุยกับท่านอาจารย์นะครับไอเรื่องติดสุกอะครับ <c oughs> ผมไปอ่านใน g o o g ิ e มาออที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์นะครับเราก็บอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายดูเถิดนะครับว่าถ้าอย่างปฐมยานพอ ไปติดสุกในขั้นนี้แล้วก็จะเป็นโอปติกะเท่ากับอะไรกี่กับกี่กับของแต่ละอันนะครับโอปติกะนี่คืออะไรครับอคุณทำไมไม่ถาม Google ต่อเลยมาถามเราทำไมเราก็ไม่รู้เหมือนกันผนะผ ม, ม, ผ, มผมอ่านรู้แต่ว่ามันผุดเกิดขึ้นนะครับ อ, อาการไป ผ, ผุดเกิดขึ้นนี่คือ S <S> ก็จิตที่ยังไปเกิดอยู่ไงโอปปาปะติกาเนี่ยจิตที่ยังไม่ถึงนี่ผ่านยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมครับยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆ <S <S> <S อตามที่เราได้ฌ า, านแต่ละฌ้นแต่ละฌานาแต่ละฌานก็เป็นสวรรค์แต่ละชั้นไปฌานนี้เป็นสวรรค์ชั้นพรหมถ้าทําบุญทําทานก็เป็นสวรรค์ชั้นเทพ ทำล้านหนึ่งก็เป็นสวรรค์ชั้นล้านทำแสนก็เป็นสวรรค์ชั้นแสนความสุขไม่เท่ากันไงทำมากก็สุขมากทำทำน้อยก็ก็สุขน้อยสวรรค์ก็เหมือนโรงแรมโรงแรมก็มีราคาถูกราคาแพงบริการไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเสียเงินเยอะบริการดีเสียเงินน้อยก็บริการไม่ดีนี่ก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นอย่างี้ ฌานก็สงบไม่เท่ากันไงฌานหนึ่งสงบสู้ฌานสองไม่ได้ฌานสองสงบสู้ฌานสามไม่ได้ความสงบก็จะทำให้มีความสุขมากน้อยต่างกันไปยิ่งสงบก็ยิ่งสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆอือ น, นี่คือที่คำว่าติดก็คือพอได้สมาธิแล้วก็ไม่ไปทำปัญญาต่อมันก็จะติดอยู่ตรงนั้น เพราเรียนจบม .6 แล้วไม่ไปต่อปริญญามันก็ได้แค่ม .6 ถ้าอยากจะได้ปริญญาก็ต้องไปเรียนต่อถ้าได้สมาธิได้ความสุขระดับสมาธิแล้วก็อยากถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรก็ต้องไปขั้นปัญญาความสุขสมาธิเป็นความสุขชั่วคราวเข้าๆออกๆออเวลาเข้าสมาธิก็สุขเวลาออกจากสมาธิก็หายไป ถ้าอยากจะได้สมาธิแบบไม่ต้องเข้าๆออกออกสุขตลอดเวลาก็ต้องไปขั้นปัญญาไปหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากได้แล้วต่อไปก็จะสุขตลอดเวลาเ mm hmm. ที่ยวว่าติดสุขเพาว่าคำว่าติดสุขก็คือติดสมาธิไม่ไปไม่ไม่ไปเรียนต่อ mm hmm. ติดม .6 จบม .6 แล้วก็พอแล้ว ถ้าอยากจะได้ปริญญาก็อยากจะได้โสดาบันได้สกิฎาคามีนี่ต้องไปทางปัญญาถ้าสมาธิก็ได้ฌานขั้นต่างๆขั้นขั้นอย่างขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ถึงขั้นแปดขั้นเก้านั่นฌานขั้นต่างๆแต่ถ้าอยากจะไปทางพระอริยเจ้าก็ต้องไปทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาสุภระก็จะตัดความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากก็จะเป็นพระอริยะพราะพระอริยะนี้จะไม่เสื่อมลงมาจิตจะไม่เสื่อมไม่เหมือนกับสมาธิจิตยังเสื่อมเทวดาจิตยังเสื่อมจะเสื่อมกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่เป็นพระอริยะแล้วจะไม่เสื่อมลงมาจะขึ้นไปอย่างเดียว คำถามจากคุณสิริศักดิ์ทางเฟ e b o o k ค่ะกราบเรียนถามครับอายตนะภายนอกและอายตนะภายในระหว่างใจกับธรรมารมทำงานกันอย่างไรครับเอ่อใจก็เป็นผู้รู้ไงธรรมารมก็เป็นอารมณ์ที่มีอยู่ในใจใจเป็นผู้ผู้รับรับอารมณ์ต่างๆตานี่รับรูปหูรับเสียง จะหมูกรับกลิ่นลิล้นรับรสร่างกายรับสัมผัสใจก็รับอารมณ์เขาเรียกอายาตนะนอกกอายาตนะในอายาตนะนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอายาตนะในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายาตนะ คำถามข้อต่อไปจากคุณเฉลยคะ่ะการถวายสังฆทานกับถวายกับพร ะ, พระอริยสงฆ์อันไหนได้บุญมากกว่ากันคะคนถวายได้เท่ากันถวายร้อยหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าหรือถวายถวายให้พระธรรมดาก็ได้บุญเท่ากันบุญที่ได้จากการถวายบุญที่ได้จากการเสียสละเงินทองนี่เท่ากันแต่อา น, นิสงค์คือประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ที่เราไปถวายนี้ไม่เหมือนกัน ถวายกับพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมระดับนิพพานถวายกับพระธรรมดาก็จะได้ฟังแค่ระดับศีลพระธรรมดายังไม่บรรลุธรรมก็เหมือนทาบุญกับคนที่จบม .6 กับคนที่จบปริญญาเอกเนี่ยคุยกับคนจบม .6 ก็ได้ความรู้แค่ระดับม .6 คุยกับคนที่จบปริญญาเอกก็จะได้ความรู้ระดับปริญญาเอกอันนี้เป็นของแถมจากการทาบุญ เหมือนไปเติมน้ำมันรถเห็นไหมปั๊มมันมีของแจกใช่ไหมบางปั๊มก็แจกผ้าบางปั๊มก็แจกยาซิฟันเราต้องการอะไรเราก็เลือกปั๊มนั่นเลยแต่สิ่งที่เราได้เหมือนกันก็คือน้ำมันเอบุญที่เราทำนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันเราทำกับใครเราก็ได้บุญเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเติมมากเติมน้อยใช่ไหมเติมร้อยบาทก็เติมสองร้อยบาทมันจะได้น้ำมันเท่ากันหรือเปล่ามันก็ต่างกันใช่ไหม ทําบุญร้อยบาทมันก็ได้บุญแค่ร้อยบาททําบุญสองร้อยบาทมันก็ได้บุญสองร้อยบาทอยากจะได้บุญเยอะๆก็ต้องทําเยอะๆไม่ใช่เลือกคนทําแล้วจะได้บุญเยอะไม่เกี่ยวกันน้ํามันได้เท่ากันไม่ว่าจะไปปั๊มไหนร้อยบาทเขาก็เขาก็ <c oughs> าให้น้ำมันร้อยบาทเท่านั้นเป็นแต่ว่ต่างกันตรงที่ของแถกของของแจกของแถมนี่ไม่เหมือนกันบางปั๊มก็แจกลอตเตอรี่ล อ, อ, อตเตอรี่อาจจะดี เดี๋ยวเกิดถูกรอตรี่ขึ้นมาจะได้หลายล้านก็ได้ไม่มีจากมั้งมีไหมปั๊บมีจากออตรี่ไหมหลายมีจากชิงโชคมั้งมัจจะมีการแากรางวัลชิงโชคอะไรทักอย่างอันนี้ก็แล้วแต่คือเนี้ยนี่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างการทำบุญกับบุคคลต่างๆ สิ่งที่เราจะได้รับจากเขานี้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้จากการเสียสละของให้เขานี้เหมือนกั น, นเรามีของร้อยบาทเราไปถวายพระเจ้าเราไปถวายกับพระธรรมดามันก็ได้เหมือนกันเราได้เสียสละร้อยบาทเหมือนกันได้น้ํามันร้อยบาทเหมือนกันแต่คนที่เขารับของเราเขามีของแจกอะไรให้เราอันนี้ไม่เหมือนกันคาถามจากคุณไพโรธจากทาง youtube ค่ะ การที่มีเด็กมาขอตังทานข้าวและเราให้เขาทำงานเล็กๆน้อยๆให้ก่อนเพื่อเขาจะได้รู้คุณค่าเราคุณค่าเราถึงจะให้ทำอย่างนี้เราจะได้บุญไหมครับได้ได้ทั้งสองอย่างได้บุญแล้วก็ได้ได้ช่วยให้เขารู้จักคุณค่าของการทำงานให้เขารู้ว่าเงินทองนี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆ ถ้าอยากจะได้เงินทองก็ต้องรู้จักหารู้จักทะถ้าให้เขาแบบง่ายๆเดี๋ยวเขาก็จะไม่ไปทำอะไรเขาก็จะมาแต่ขอเราอยู่เรื่อยๆอย่างที่มีสุภา ษ, ษิตจีนก็บอกว่าเวลาใครเข้ามาขอปลาก็อย่าให้เขาก่อนจะให้ปลาเขาสอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาก่อนอต่อไปพอเขาหาปลาเป็นเขาจะได้ไม่ต้องมาขอเรา ถ้าเขาหาปลาไม่เป็นเขาก็จะมาขอเราอยู่เรื่อยๆพอปลาหมดเขาก็จะมาขอเราเด็กที่มาขอเงินเรากินข้าวพอให้เงินไปกินพอกินหมดวันหน้าก็จะมาเงินหมดก็จะมาขอเงินใหม่ะแต่ถ้าเราสอนเขาให้รู้จักวิธีหาเงินว่าไปทํางานสิไปรับจ้างทําอะไรสักอย่างหนึง่งพอทําแล้วเดี๋ยวก็จะได้เงินต่อไปเขาก็จะได้ไม่ต้องมาขอเงินเราเวลาเขาไม่มีเงินเขาก็ไปหางานทำํำ คำถามจากคุณพิญญารัตค่ะการเกิดมาเพื่อเป็นร่างกายมนุษย์ประโยชน์สูงสุดคือการจะได้ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับก็ไม่แน่หรอกการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดแล้วไม่เจอพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น แล้วถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันเห็นไหมคนในเมืองไทยนี้เป็นชาวพุทธกี่ล้านคนสนใจที่จะหลุดพ้นจากการเป็นว่ายตายเกิดกันสักกี่คนมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่การมาเกิดแล้วมามาเจอพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมันต้อง เกิดเป็นมนุษย์เจอพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันถึงจะได้ประโยชน์หมดแล้วเลยหมดแล้วก็เอาแล้วนะเลยแค่ไม่กี่นาทีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ